กุมารีภูตวัควักว่าด้วยหญิงสาวที่ยังไม่มีสามีสิกขาบทที่หนึ่งกุมารีภูตวัคปาจิตติยะกันห้ามให้บวชแก่หญิงสาวที่อายุไม่ครบยี่สิบปีนางภิกษุณีทั้งหลายให้หญิงสาวที่อายุไม่ครบยี่สิบปีบวชนางไม่อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายเป็นต้นมีผู้ตีเตียน พระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ว, ว่านางภิกษุณีให้หญิงสาวที่มีอายุไม่ครบยี่สิบปีบวชต้องปาจิตตีหมายเหตุพึงสังเกตว่าหญิงที่มีสามีแล้วอายุครบสิบสองจะบวชเป็นนางภิกษุณีต้องเป็นนางศิกขามนาศึกษาอยู่อีกสองปีจนอายุครบสิบสี่ปีบริบูรณ์แล้วจึงบวชเป็นนางภิกษุณีได้แต่ถ้ายังไม่มีสามี ต้องอายุครบ20สจึงบวชได้แต่ก่อนจะบวชเป็นนางภิกษุณีจะต้องเป็นนางสิกขามนาสองปีทุกรายไปฉะนั้นหญิงที่ประสงค์จะบวชเป็นนางภิกษุณีเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์จะต้องบวชเป็นสามเณรีและเป็นนางสิกขามนาก่อนอายุครบเพื่อไม่ต้องยืดเวลาเป็นนางสิกขามนาเมื่ออายุครบแล้ว สิกขาบทที่สองกุมารีภูตวัตรปาจิตติยกันห้ามบวชหญิงที่อายุครบแต่ยังงมิได้ศึกษาครบสองปีสิกขาบทที่สามกุมารีภูตวัตรปาจิตติยกันห้ามบวชหญิงที่ศึกษาครบสองปีแล้วแต่สง์ยังงมิได้สมมุติสองสิกขาบทนี้มีเข้าความํำนองเดียวกับสิกขาบทที่สามและที่สี่ที่หที่เจ็ด แห่งขพินิวัษ์ที่กล่าวมาแล้วเป็นแต่นำมาใช้ในกรณีที่เป็นหญิงสาวมีอายุครบยี่สิบปีมีสิทธิ์จะบวชได้ก็คงให้ศึกษาก่อนและศึกษาแล้วก็ต้องให้สงสวดสมมุติอนุญาตให้อุปสมบทก่อนสิกขาบทที่สกุมารีภูตวักปาจิติยกันห้ามเป็นอุปชาเมื่อพันษาไม่ครบสิบสอง นางภิกษุณีพันษาไม่ครบสิบสองให้ผู้อื่นบวชตนเองก็เป็นผู้เขาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรและไม่ควรแม้สัตธิทวิหาริณีคือผู้ที่ตนบวชให้ซึ่งแปลตามสับว่าผู้อยู่ร่วมก็เป็นผู้เขาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรและไม่ควรมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบวชว่า นางภิกษุณีพันสาย่อนกว่าส2สองให้ผู้อื่นบวชต้องปาจิตติสิกขาบทที่ห้ากุมารีูตวัคปาจิตติยกันห้ามเป็นอุปชาโดยที่สงไม่ได้สมมุตินางภิกษุณีมีพันสาครบสิบสองแล้วแต่สงยังไม่ได้สมมุติหรือแต่งตั้งให้ผู้อื่นบวชมีผู้ตีเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ว, ว่านางภิกษุณีที่มีปรรษาครบ12บสองแล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติให้ผู้อื่นบวชคือให้เป็นอุปชาต้องปาจิตตีสิกขาบทที่หกุมารีภูตวักปาจิตติยากันห้ามรับรู้แล้วติเตียนในภายหลังนางจันดากาลีภิกษุณีเข้าไปหาภิกษุณีสงฆ์ ขอให้แต่งตั้งเป็นอุปชายยะภิกสุณีสงฆ์พิจารณาแล้วไม่อนุญาตเพราะเห็นว่ายังไม่เหมาะสมนางก็รับคำว่าสาธุภายหลังภิกสุณีสงฆ์แต่งตั้งนางภิกสุณีอื่นให้เป็นอุปชายยะนางจันตกาลีภิษุณีจึงเที่ยวโผลทนาว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีที่สงยังไม่อนุ ญ, ญาตให้เป็นอุปัชยะรับคำว่าสาธุแล้วภายหลังกลับติเตียนต้องป่าจิตตีสำหรับสิกขาบทนี้ให้อำนาจภิกษุณีสง์พิจารณาผู้ที่จะเป็นอุปัชยะด้วยแม้มีพรรษาครบส2องแล้วจะไม่แต่งตั้งสวนสมมุติให้ก็ได้สิกขาบทที่7 กุ ม, มารีภูตวัต์ปาจิตติยกันห้ามรับปากว่าจะบวชให้แล้วกลับไม่บวชให้นางทุลนันนานทาภิกษุณีรับปากกับนางสิกขามานารูปหนึ่งว่าถ้าให้จีวรจะบวชให้แล้วไม่บวชให้ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นบวชให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ว, ว่านางภิกษุณีกล่าวกับ น, นางศิกขามานาว่า ถ้าท่านจะให้จีวรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบวชให้แล้วภายหลังไม่มีเหตุขัดข้องไม่บวชให้เองก็ดีไม่ขวรขวายให้ผู้อื่นบวชให้ก็ดีต้องปาจิตติสำหรับสิกขาบทนี้จากประโยคถ้าท่านจะให้จีวรแก่ข้าพเจ้ามีทางสันนิษฐานได้เป็นสองประการคือพูดเป็นเชิงเรียกสินบนหรือสิ่งตอบแทนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง หมายเพียงไปหาจีวรมาให้ก็จะบวชให้คือไม่ใช่รับไว้เป็นของตนเพราะเป็นประเพณีที่ผู้ขอบวชจะต้องมอบจีวรแก่อุปชายยะและอุปชายยะทำพิธีมอบให้ในเวลาบวชสิกขาบทที่8ปกุมารีภูตะวัคปาจิตติยากันห้ามรับปากแล้วไม่บวชให้ในกรณีอื่น นางทุลนันทาภิกษุณีรับปากกับนางสิกขามนารูปหนึ่งว่าถ้าติดตามครบสองปีจะบวชให้แล้วไม่บวชไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นบวชให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติศิกขาบท ว, ว่านางภิกษุณีกล่าวกับ น, นางสิกขามนาว่าถ้าติดตามคือรับใช้ครบสองปีแล้วจะบวชให้ภายหลังไม่มีเหตุขัดข้องไม่บวชให้เองก็ดี ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นบวชให้ก็ดีต้องปาจิตตีสิกขาบทที่เก้ากุมา ร, รีปุตวะปาจิตติยกันห้ามบวชให้นาสิกขามนณาที่ประพฤติไม่ดีนางทุนลนันธาภิกษุณีบวชให้นาสิกขามนณาผู้คลุกคลีด้วยบุรุษคลุกคลีด้วยชายหนุ่มเป็นคนดุร้ายก่อความเศร้าใจแก่คนอื่น มีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีบวชให้นางสิกขามนณาผู้คลุกคลีด้วยบุรุษคลุกคลีด้วยชายหนุ่มเป็นคนดุร้ายก่อความเศร้าใจให้แก่คนอื่นต้องปาจิตตีสำหรับสิกขาบทนี้บุรุษคือคนที่มีอายุครบยี่สิบแล้วกุมาร ก, กะหรือชายหนุ่มคือที่มีอายุยังไม่ถึงยี่สิบ สิกขาบทที่สิบกุมารีพุทวักปาจิตติยกันห้ามบวชให้นางสิกขามาณาที่มารดาบิดาหรือสามีไม่อนุญาตนางทุนลนางทาภิกษุณีบวชให้นางสิกขามานาที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบ้างที่สามียังไม่อนุญาตบ้า ง, า ม, ง, ม, าางมารดาบิดาบ้างสามีบ้างพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีบวชให้นางสิกขามานาที่มารดาบิดาหรือสามีอย่างไม่ได้อนุญาตต้องปาจิตติสิกขาบทที่สิอกุมารีภูตวัคปาจิตติยกันห้ามทากลับกลอกในการบวชนางทุลนันทาภิกษุณีคิดจะบวชให้นางศิกขามานา จึงนิมนต์พระภิกษุที่เป็นเทระทั้งหลายมาประชุมกันครั้นแล้วเห็นของเคี้ยวของฉันมีมากจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะยังไม่บวชให้นางสิกขามานาละแล้วส่งพระภิกษุเทระเหล่านั้นกลับนิมนต์พระเทวทัตเป็นต้นซึ่งรวมทั้งหมดห้ารูปล้วนเป็นพระที่ก่อเรื่องยุ่งยากมาประชุมกันบวชให้นางสิกขามานามีผู้ติดเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางอิกษุผู้ทาเช่นนั้นคำอธิบายท้ายสิกขาบทและอัตถกาามุ่งไปในทางทาให้พระที่มาประชุมชุดก่อนต้องเกอ้อเลิกไปสิกขาบทที่สิบสองกุมารีปุตตวัคปาจิตตียากันห้ามบวชให้คนทุกปี สมัยนั้นนางภิกษุณีให้บวชคนทุกๆปีที่อยู่ไม่พอกันมีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้บวชให้คนทุกปีในหนังสือวงเล็บไว้ว่าต้องบวชปีเว้นปีสิกขาบทที่สิบสามกุมารีภุตวักปาจิตติยากัน